ชาวได้พาคณะชาวอเมริกัน20่สบว่าคนไปปลีกวิเวกในภูกลางภูกลางนี้ก็เป็นภูเขาที่อยู่ติดกับบ้านท่าทางเกวียนก็มีป่าอยู่ประมาณพันกว่าไร่ชาวอเมริกันกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมชาติเป็นพื้นฐาน บางคนก็เป็นครูสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เราเข้าก็เาเข้าคอร์สเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติของมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกาแล้วก็ผ่านักศึกษามา เขามาเมืองไทยมาที่ป่าสุขโตก็เพราะเขาสนใจเรื่องธรรมะกับธรรมชาติว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรฝรั่งนี่เขาก็สนใจเรื่องธรรมะพอสมควรถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้มากว่าเป็นยังไงแต่พูดถึงเรื่องสมาธิ meditation หรือเรื่องของจิตวิญญาณเขาก็ มีความรู้สึกในทางบวกก็มาที่นี่เพื่อที่จะได้มาทำความเข้าใจเกี่เรื่องธรรมะกับธรรมชาติเมื่อวานก็ได้ชวนเขาอลองทำสมาธิลองเจริญสติแบบง่ายๆแบบชิมลองให้เขาได้รู้จักดูใจของตัวเองบ้าง แล้ววันนี้ก็เลยนะพาไปไปอยู่คนเดียวในป่าพาไปเข้าไปในป่าหย่อนไปทีละจุดทีละจุ ด, จดนะห่างกันประมาณสักร0 0เมตรให้อยู่กันคนละประมาณ 3-4 สี่ชั่วโมงก็ให้เข้ามาเรนรูที่อยู่กับตัวเอง แล้วก็เป็นนิกัธรรมชาติในการที่จะอยู่กับตัวเองนะก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนะสำหรับคนอเมริกันหรือแม้กระทั่งคนไทยทั่วๆไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยหนีห่างจากตัวเองมากพยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อหนีจากตัวเองไปเที่ยวห้างดูหนังฟังเพลง หรือว่าเล่น Facebook เล่นเกมออนไลน์พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เพียงแค่เพราะมันมีความสุขเท่านั้นนะแต่ว่าส่วนก็เพราะว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกอึดอัดนั้นทำอะไรก็ได้ที่ดึงจิตกระชากใจออกไปจากตัวเองหาอะไรทาให้เพลิ น, นหาอะไรเสพ ซึ่งบางทีก็เหมือนกับว่ารอให้หมดไปวันๆบางคนไม่รู้จะทำอะไรกลางคืนก็เปิดโทรทัศน์ดูแล้วก็หลับไปนะั่นขาขาเก้าอี้งั้นก็ลองให้ลองมาสัมผัสอยู่กับตัวเองดูการอยู่กับอยู่ในป่านี่มันเปิดโอกาสหรือว่ามันบีบบังคับให้ต้องอยู่กับตัวเองก็ว่าได้เพราะว่า โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้แล้วก็กําชับว่าให้งดอ่านหนังสือให้ไม่ต้องถ่ายรูปอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องจดบันทึกอะไรแล้วก็ไม่ให้ไปพูดไปคุยกับใครนะที่อยู่ใกล้ๆแล้วขณะเดียวกันก็ให้รู้จักปรับตัวปรับใจให้กลับธรรมชาติ คนสมัยนี้เนี่ยพยายามปรับธรรมชาติให้เข้ากับตัวปรับสิ่งรลลอมให้เข้ากับตัวเองแต่ว่าไม่ค่อยได้รู้จักปรับตัวปรับใจให้เข้ากับธรรมชาติเท่าไหร่หลายคนก็ได้พบว่าใหม่ๆนี่ก็ชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกนี่ก็มีความตื่นมีความกลัวมีความวิตก พราะเขาไม่คุ้นนะกับป่ากับป่าแบบบ้านเราป่าบ้านเรานี่มันลกทึกจริงๆป่าบ้านเขานี่มันโรคมันโปร่งเช่นป่าสนแล้วยิ่งต้องมาเจอมแมลงเจอมดแล้วที่เขาเจอกันแทบทุกคนก็คือตัวกิ้งกือนะกิ่งกือนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านนะแล้วกิ้งกือในป่านี่ก็ใหญ่ซะด้วย แต่ว่าพออยู่ไปสักชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามนะก็เริ่มสงบนะรู้สึกว่าเวลามันช้าลงรู้สึกว่าอ่าใจไมค่ค่อยค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่าความคุ้นเคยนะกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มมีมากขึ้นเริ่มรู้สึกเป็นมิตรนะกับพวกมแมลงกับพวกมดหลายคนเขาก็รู้สึกเลยนะว่า ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมของที่นั่นนะป่าเนี่ยมันเป็นของเขาป่าเนี่ยเป็นของสัตว์เป็นของพวกมแมลงเป็นของพวกนกนะมนุษย์เรานี่เป็นส่วนเกินเป็นส่วนแปลกปลอมตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่า ตัวเองเนี่ยน่เป็นเป็นส่วนเป็นส่วนเกินก็ว่าได้นะเพราะว่ามนุษย์เราไปคิดว่าเราตัวเองเป็นเจ้าของธรรมชาติธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็พยายามเข้าไปทำลายเพื่อที่จะแปรให้มาเ ป, เป็นเงินเป็นทองเป็นกำไรเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับตัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเคารพ หรือว่าคำนึงถึงสิทธิของสัตว์ต่างๆที่เขาได้อาศัยอยู่ในป่ามาช้านานรวมนั้งต้นไม้ด้วยแต่การที่ได้มาอยู่ลำพังในป่าแม้จะเพียงช่วงเวลาไม่นานนี่มันก็ค่อยๆทาให้เขาได้ซึมซับได้เห็นว่าแท้จริงแล้วนี่ป่านี่เป็นของของสิงสารสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไม่ใช่เจ้าของ มนุษย์เป็นส่วนเกินด้วยซ้ำ น, น้่นทำมาเนน่อก็ทำให้มนุษย์เรานี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นแล้วก็เคารพธรรมชาติมากขึ้นแม้ว่ามแมลงตัวเล็กๆหรือว่ามดปลวกนกกิ้งกือพวกนี้เขาก็เป็นเจ้าของหรือเขาก็มีสิทธิ์ในป่านั้น อาจจะพอๆกับเราหรือมากกว่าเราก็ได้เพราะว่ามแมลงหรือสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เปล่าๆนะเขาก็ช่วยบำรุงป่าด้วยนะมดนี่ก็มีประโยชน์ต่อป่ามากกิ้งกือก็มีประโยชน์ต่อป่านะเห็ดเอวย์นะมแมลงนกก็มีประโยชน์ต่อป่าเช่นช่วยนะปลูกต้นไม้ปลูกป่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่างลยแต่ว่าบารุงธนุบำรุงถนอมป่าด้วยมนุษย์เราต่างหากที่เอาแต่ใช้แต่ว่าไม่ค่อยได้ทนุถนอมป่าเท่าไหร่เลยไม่ได้ใช้ยางเดวทำลายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เรานะเห็นแล้วก็เห็นคุณค่าของป่าเห็นคุณค่าธรรมชาติแล้วก็ผูกพันกับธรรมชาติเนี่ย มีความรักธรรมชาติเนี่ยมนันก็จะกลับมาเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้อย่างยอดเยี่ยมมากและความรักความผูกพันธรรมชาติเนี่ยส่วนนึงก็เกิดจากนะการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกส่วนก็เกิดจากการที่ใจเปิดกว้างเห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติซึ่งตรงนี้ธรรมะนี้มีส่วนช่วยมากเลยหลวพงพ่อคำเขียนเนียท่านบอกว่าท่าน ถ้ารธรรมชาติก็ตอนที่ได้มารู้ทำแล้วได้ปฏิบัติทำแล้วก็รู้ทำแล้วก็เกิดความรักธรรมชาติอย่างมากก่อนนั้นนั้นถ้าเป็นคาราวาท่านก็ถางท่านก็ตัดต้นไม้ทําทไร่ทํานาเห็นต้นไม้ก็ถ้าต้นไม้สวยก็ตัดมาทําบ้านทําเรือนแต่ว่าพอได้มารู้ทำ ความรักธรรมชาติเกิดขึ้นนะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเห็นต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะเป็นเพื่อนหรือเป็นลูกเป็นหลานเลย ก, ก็ด้วยด้วยซ้ำหลวงพ่อท่านเล่าว่าเวลาไปเทศไปสอนที่อื่นมาไปไกลๆนานๆกลับมานีนะ่อย่างแรกที่ท่านทำก็คือมาดูต้นไม้ที่ท่านปลูกที่สุกโตนี่แหละนะ แล้วก targets, chemin, bag, away, board, ็บางทีก็เดินเข้าไปในป่าเห็นต้นไม้บางต้นมันล้มยังไม่ตายนะท่านก็เข้าไปช่วยท่านบอกว่าเนี่ยต้นไม้นี่มันเหมือนกับว่าร้องขอความช่วยเหลือจากท่านหลวงพ่อช่วยผมด้วยหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะท่านบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าต้นไม้มันร้องขอความช่วยเหลือจากท่านแล้วท่านก็เข้าไปช่วยทำให้ต้นไม้นี่มันอ่า หลอดโพดจากอันตรายทุกวนนี้แม่ท่านป่วยท่านก็ยังยังหาเวลาว่างถ้ามีแรงก็ไปรดน้ําต้นไม้อันนี้มันเกิดจากความความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติแล้วเกิดจากการที่เห็นคุณค่าธรรมชาติเพราะธรรมะกับธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันมากโดยเพราะธรรมะในพุทธศาสนา อยที่เราก็สาราบพระพุทธเจ้าท่านก็ประศุตตายต้นไม้ท่านบรรลุธรรมตัดสัรู้ก็ตายต้นไม้แล้วก็แสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมในป่าแล้วก็อยู่ในป่าด้วยมาที่เรียกว่าอารามไม่ว่าจะเป็นเวรุวันเชตวันมหาวันแล้วก็ปรียญุพานก็ใต้ต้นไม้ พรก็สอนแนะนําให้พระทั้งหลายนะไปปฏิบัติธรรมนะในเรือนว่างถ้าไม่ใช่เรือนว่างก็ตต้ต้นไม้ในป่าในถ้ำเพื่อให้ธรรมะให้ธรรมชาติเนี่ยมันก็ค่อยก่อมกล่ำจิตใจแล้วก็เพื่อให้ได้เห็นธรรมะจากธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเนี่ย ธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหรนะ่วันนี้พูดถึงนักชาวอเมริกันที่เข้าไปเปลียบวิเวกๆๆๆในป่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงประสบการณ์มีคนหนึ่งเขาก็พูดไว้น่าสนใจเขาก็บอกว่าการเข้าไปในป่าอยู่คนเดียวในป่านี่แม้ว่าจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับเขา แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่ไม่ทำอะไรเลยนี่มันยากมากเวลาเขาอยู่ที่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งมาเมืองไทยเขาก็ทำนูน่นทานี่ตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่ทำงานนะอาจจะเป็นการเที่ยวใดเที่ยวท่องธรรมชาติก็ยังต้องทาเช่นปีนเขานะ ปีนเขาหรือว่าไปตั้งแคมป์นะมันมีแต่การทำแต่ว่าปลี่ยวิเวทวันนี้นี่ไม่ต้องทําอะไรก็ให้ดูกายดูใจแล้วก็ให้อยู่ให้เป็นสุขกับธรรมชาติก็ส่วนเป็นเรื่องยากมากในการแค่อยู่เฉยเฉยเนี่ยอยู่เฉยเพียงแค่สังเกตนะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัว ที่มันดาพอมนุษย์เราเนี่ยนะชอบที่จะทำโน่นทนํานี่ชอบที่จะมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรที่ให้ความพอใจก็พุ่งเข้าหามุ่งครอบครองอะไรที่ไม่ชอบก็ผลักไสเป็นปัญหาก็ต้องเข้าไปแก้นะในการที่จะดูหรือว่าทำใจเป็นอุเบกขา อันนี้มันยากมากจริงไม่ใช่แต่เฉพาะฝรั่งหรือว่าคนจำนวนไม่น้อยนะคนไทยจำนวนไม่น้อยพวกเราเวลามาปฏิบัติก็คงจะรู้สึกว่ามันยากนะไอการที่จะรู้เฉยเฉยเนี่ยครูบาอาจารย์ยางหเทีย น, นก็สอนว่าให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกรู้เฉยเฉย มีความคิดเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปกดคมมันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นมันไปคล้อยตามมันลหลงไหลมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆไม่ต้องผลักสายมันแม้ว่ามันจะเป็นอกุศลธรรมคิดดีก็ช่างนะคิดไม่ดีก็ช่างนี้หลวงพ่ออมเขียนก็สอนความอายรู้เฉยๆคืออันนี้แต่ว่ากลับเป็นเรื่องยากสันักปฏิบัติ นะเพราะว่าใจมันเนี่ยจะคอยเข้าไปกระทำกับความคิดและอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอรวมทั้งเวทนาด้วยเวลาเกิดเวทนาเช่นความปวดความเมื่อยแทนที่จะดูหรือรู้เฉยๆก็ทำยังไงจะเข้าไปจัดการกับมันเข้าไปผักสายมัน ซึ่งไอการที่เข้าไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งการไปผลักสายมันเนี่ยยิ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นอันนี้รวมถึงสิ่งที่มากระทบจากภายนอกด้วยเช่นเสียงดังนะเสียงที่มันผิดกาลเทศะเสียงโทรศัพท์เสียงมอเตอร์ไซค์เวลาเราได้ยินเสียงนั้นเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรใจเราผักสใช่ไม และเราสังเกตไมาว่าเป็นเพราะการผักสายของใจนี่แหละมันที่มันก็เลยทําให้เป็นทุกข์มากขึ้นเสียงไม่ได้ทําให้เป็นทุกข์นะแต่ว่าการผักสายของมันต่างหากที่ทําให้ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเพียงแค่แค่ฟังเฉยเฉยได้ยินเฉยเยสักแต่ว่าได้ยินนะใจก็ไม่เป็นทุกข์เลยหรือแม้กระทั่งเวลาเกิดความไม่ชอบขึ้นมา ความไม่ชอบเสียงนั้นมีความชังต่อเสียงนั้นแล้วเราก็ดูมันเฉยๆไ ม, ไ, ไม่ต้องไปทําอะไรกับความชังนั้นนะมันก็จะไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นได้เดี๋ยวความชังมันก็ดับไปเองอันนี้รวมถึงสิ่งที่เรากลัวด้วยนะเวลาเราเจอได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเห็นภาพอะไรนะถ้าเราเพียงแต่ดูมันเฉยๆ รับรู้เฉยๆไม่เป็นไรแต่ทันทีที่เราปฏิเสธมันจนเกิดความกลัวขึ้นมาอันนี้เป็นทุกข์เลยแล้วมีความกลัวแล้วพยายามทักสายความกลัวนั้นนะยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่ครูบาอาจารย์สอนให้รู้เฉยๆไอ้การรู้เฉยๆนี่มันน่าจะง่ายนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่ามันกลับเป็นเรื่องยากเพราะว่าธรรมชาติของใจก็ดีหรือว่านิสัยของเราที่ถูกปลูกฝังมาก็ดีเนี่ย มันล้วนแต่เป็นไปเพื่อที่จะให้จัดการนะให้จัดการนะถ้าไม่ทําไม่ครอบครองก็ผลักสายมันออกไปนะแต่ว่าการที่เราจะอยู่เฉยๆนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินวิสัยนะเพราะว่าถ้าเรา ทำไปเรื่อยๆนะเจริญสติไปเรื่อยๆนะทำถูกวิธีก็จะก็จะกลายเป็นผู้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นไม่ว่าจะผลักไสหรือว่าหลงไหลเคลิบเคลิมหรืออยากครอบครองเนี่ยมันก็ล้วนแต่พาไปสู่การเข้าไปเป็นทั้งสิ้นนะ <c oughs> มีความปวดเกิดขึ้นอยากจะผลักไสมัน ก็กลายเป็นผู้ปวดเสียเองแต่ถ้าลองถอนใจออกมาหเห็นมันไอความปวดนั้นเนี่ยแม้ยังมีอยู่แต่มันก็แค่ปวดหรือเมื่อยที่กายนะแต่ว่าใจไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วแต่ทันทีที่เราผลักไสมันไม่ชอบมันนะใจเป็นทุกทันทีนะอย่าไปซ้ำอย่าไปซ้าเติมตัวเองนะ ก็คือเมื่อปวดก็ให้ปวดแต่กายเมื่อยแต่เท้าหรือขาแต่ใจไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะก็เพียงแต่รู้เฉยๆความโกรธมันเผาลนใจเพราะเราเข้าไปเป็นมันแต่ไมื่อใวก็ตามนะที่เรารู้ทันมันเมื่อรู้ทันแล้วไม่ไปผักสมัน มันก็จะดับมันก็จะหายไปเองการปฏิบัติทำการจริญสติเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย ถ, ถ้าเราเปลี่ยนแค่เป็นพูดดูหรือรู้เฉยๆนี่มันผ่านตลอดนะมันเหมือนกับเรานั่งรถทัวร์เรานั่งรถทัวร์เนี่ยก็ผ่านสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชายหาดไม่ว่าจะเป็นย่านท่องเที่ยว เราก็ผ่านอย่างเดียวเลย น, ะนั่งรถทัวร์นี่มันผ่านอย่างเดียวนะจะถ้าเรานั่งรถส่วนตัวเนี่ยอดไม่ได้ที่จะแวะนะแวะเที่ยวชายหาดหน่อยนะแวะเที่ยวซื้อของหน่อยแวะห้างหน่อยแบบการปฏิบัตินะหลายคนนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะชอบแวะชอบข้องแวะ เลยพอถ้ามันเป็นของอะไรที่เพลิดเพลินแต่ว่าถ้ามันเป็นจุดที่ไม่ชอบก็ยังแวะนะแวะไปเพื่อจะผลักไสมันจัดการกับมันให้เราเจริญสติเมื่อกับนแล้วนั่งรถทัวร์นะคือผ่านตลอดผ่านตลอดอันถ้าเราเพียงแค่วางใจเนี่ยรู้เฉยเฉยรู้ซื่อเนี่ยมันก็ผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยๆอารมณ์ต่างๆเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะความเผลอเพราะความไม่รู้ตัวของเรานะแต่พอเรารู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับว่าเจ้าเอกับโจรโจรมันแอบเข้ามาแล้วพอมันจ้าเอกับเจ้าของบ้านเนี่ยมันก็หนีไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรกับมันที่นี่แต่ก่อนเนี่ย ม, มันมีคนชอบมาตัดสมุนไพรในวัดเยอะ คนมาตัดสมุนไพราบางทีก็มีคนมาบอกนะพอมีคนมาบอกนี่ก็ตามเข้าไปเลยไปตามหาไปตามหาคนที่ตัดสมุนไพรหรือตัดไม้นี่ไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากนะไม่ต้องมีอาวุธอะไรเลยเราไปมือเปล่านะเพราะอะไรเพราะว่าเพียงแค่คนเหล่านั้นเนี่ยเห็นหน้าเราเนี่ย เขาก็ถอยหนีแล้วเขาไม่กล้าให้เราเห็นหน้าโดยซ้ํำนะเพียงแค่เขารู้ว่าเรากําลังมีพระกําลังมุ่งหน้าเข้ามาเขาก็หนีแล้วเพราะไม่เขาไม่กล้าเผชิญหน้าไม่ต้องไปขับไล่อะไรทั้งสิน้นเพียงแค่เห็นหน้าก็มากพอที่ทําให้พวกนั้นหนีไปแล้วอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นเพราะความเผลอนะเพราะความไม่เพราะความลืมตัวของเรา หรือเพราะความไม่มีสติแต่ตอนที่ที่มีสติเนี่ยนะไปจักเอกับมันเนี่ยแค่นี้มันก็หลบไปแล้วเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขับไล่ไม่ต้องไปตะบีตะบันผักใสการเห็นเนี่ยเพียงแค่เห็นนี่มันก็มีอํานาจพอนะที่จะทำให้อารมณ์อกุศลเนี่ยมันหายไปหรือว่าเพียงแค่รู้เฉยๆนี่มันก็มากพอละที่จะทำให้อารมณ์ หรือความคิดทุงซ่าเหล่านั้นเนี่ยมันล่าถอยกลับไปบางคนอาจจะสงสยัยว่าทำไมเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะแต่ทำไมความโกรธไม่หายอันนี้ก็ต้องลองถามใจตัวเองว่าอไอ้รู้เนี่ยรู้จริงหรือเปล่าเป็นไปได้ว่ารู้ว่าโกรธหรือว่ามีสติรู้แต่ว่าสติของเราอย่างอ่อนนะความโกรธมันแรง แต่ว่าสติของเราเนี่ยมันเป็นสติที่รู้เพียงแค่ชั่วขณะนะมันก็เหมือนกับน้ําที่น้อยนะย่อมดับไฟไม่ได้ไฟกองใหญ่แต่น้ําน้อยหรือว่าน้ําเนี่ยฉีดไม่ต่อเนื่องฉีดประเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วไฟมันก็อาจจะอาจจ ะ, จจะฟูอาจจะสงบสักพักแล้วมันก็ฟูขึ้นมาใหม่นะสติของเราเนี่ยมันเป็นสติที่เหมือนกับน้ําที่ ไหลไปได้แค่ชั่วงขณะพุ่งมาชั่วงขณนะขณะที่อารมณ์นี่มันรุนแรงหรือว่ามันลุกลามนั้นการรู้นะที่บอกว่ารู้ว่าโกรธทําไมความโกรธยังมีอยู่นะี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสติเรายัางอ่อนนะสติไม่ต่อเนื่องนะสติมาเป็นขณะขณะนะถ้ามันออกมาสองสามขณะแล้วมันหายไปนะ มันไม่พอหรอกมันไม่สามารถที่จะดับไฟอารมณ์ได้หรือดับไฟโทสะได้แต่ถ้ามันต่อเนื่องหลายขณะนะมันก็สามารถที่จะทําให้ความโกรธเลือนหายไปได้หรือจะเป็นเพราะว่าการรู้นะการรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากสติบริสุทธิ์นะ คือมันยังเจือไปด้วยความอยากจะผลักสายความโกรธนะเวลาเราร่วมีความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยลองดูเข้าไปในส่วนลึกซว่ามันมีความรู้สึกเป็นลบความรู้สึกอยากจะผลักสายความโกรธอยู่หรือเปล่านะถ้ามันยังมีตรงนั้นอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอาน้ำดับไฟก็จริงแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเจอด้วยน้ามันน้าเจอด้วยน้ามันเนี่ยมันก็ ย่อมดับไฟได้ไม่ไม่ดีพออาจจะทําให้ไฟลุกลามได้ซ้ําเวลาเรามีสติรู้นะความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆก็ตามนะมันมันเจือไปด้วยความรู้สึกเป็นลบอยากจะผลักไสอยากจะจัดการกับความโกรธอยากจะกดขม่มความโกรธหรือความคิดเหล่านั้นนะตรงนี้แหละที่มันทําให้เหมือนกับไปเติมเชื้อให้ความโกรธมัน การที่มันจะดับนะมันก็ฟูมากขึ้นต้องให้เราเนี่ยใจของเราต้องเป็นอ่เป็นให้มันเป็นสติบริสุทธิ์นะเหมือนกับ น, น้าที่เป็นน้าบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่เจออด้วยน้ำมั น, น, นถ้ามีถ้าสตินะั้นมันเจอด้วยกิเลสนะหมายถึงว่ามันมีตัวความอยากจะกดข่มความโกรธอยากจะผลักสายความโกรธออกไปเนี่ยไปเจออยู่เนี่ย มันก็ทําให้รู้ว่าโกรธก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ความโกรธนี่มันมันดับหายไปเราต้องมาดูใจตรงนี้แต่ก็อย่าไปอย่าไปกังวลนะกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมากๆนี่ก็มีข้อดีนะก็คือมันทําให้เราอทําให้จิตเนี่ยมันจดจํา อาการของความโกรธได้อันนี้รวมถึงอารมณ์อื่นด้วยนะความฟุง้งซ่านนะความเบือ่อความหน่ายที่มันรบกวนจิตใจมันเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันเป็นบทเรียนให้กับสตินะเพราะเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะจําได้จะจําลักษณะอาการของอารมณ์ต่างๆได้และพอมันเกิดขึ้นพอมันมาอีกนะก็จะ รู้ทันมันได้ง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นวิธีการเดียวกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยนะมันมันจำมันจาเชื้อโรคต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันจะจำได้ก็ต่อเมื่อมันเคยเจอเชื้อโรคเหล่านั้นมาแล้วอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง ถ้ามันไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยนะเป็นเชื้อโรคใหม่เลยนะมันเอาไม่อยู่นะภูมิคุ้ม ก, กันนะก็จะปล่อยให้เชื้อโรคนั้นผ่านเข้ามาได้ทำร้ายร่างกายอย่างคนในอเมริกาใต้เนี่ยไม่เคยเจอเชื้อหวัดนะพอพวกสเปนเนี่ยเข้าไปยึดครองนะตั้งแต่สมัยโคลัมบัสเนี่ยเมื่อห้ารอยปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาเชื้อโรคเข้าไป ไอ้คนสเปนเนี่ยเชื้อโรคเยอะแยะแต่ไม่เป็นอะไรเพราะมีภูมิคุ้มกันแต่พอเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยมันไปเข้าไปสู่ร่างกายของพวกคนอินเดียนะแม้แต่โรคที่เราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรอะโรคหวัดเนี่ยบอกว่าตายกันเป็นเบื่อเลยเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่ทํางานเนื่องจากมันไม่เคยเจอเชื้อโรคเชื้อหวัดกันมาก่อนแต่ในระดัเดียวกันคนใน คนในพวกสเปนเนี่ยมันไม่เคยเจอเชื้อซิฟิลิสนะพวกคนอเมริกาใต้นี่เชื้อซิฟิลิสนี่แป็นกันเยอะแยะแต่ไม่ตายแต่ว่าพอเชื้อนั้นมันเข้าสู่ร่างกายของคนพวกสเปนเนี่ตายกันเป็นเบือเหมอือนกันเพราะไม่ไม่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมันไม่รู้จักไอเชื้อตัวนี้แต่ถ้ามันได้เจอสักครั้งหนึ่งแล้วมันรอดตายนะมันจะจําได้ อย่างร่างกายเราเนี่ยถ้าเจอหวัดสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ใช่หวัดแรงๆนี่มันจะจําได้แล้วถ้าถ้าหวัดตัวนั้นมาอีกหวัดชนิดหวัดชนิดนั้นมาอีกเป็นครั้งที่สองมันไม่ปล่อยแล้ะมันก็จัดการขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่ามนุษย์เราฉลาด น, นะเราไม่ต้องรอให้เชื้อโรคมันเข้ามาซะก่อนเราจงใจเลยนะจงใจฉีดวัคซีนเข้าไปวัคซีนก็เป็นเชื้อโรคที่มันตายแล้วหรืออ่อน ๆ, ๆเพื่อให้ผงการร่างกายเราจําได้ พอจำได้แล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นไข้ทรพิษเชื้อทรพิษหรือว่าเป็นหวัดเป็นอาฮิวาต่อไปก็อาจจะเป็นพวกเอชอวีพอเจออีกครั้งหนึ่งนี่เข้ามาในร่างกายนี่มันก็จัดการได้เองเลยเพราะมันจำได้แต่นั่นเป็นเรื่องของร่างกายนะซึ่งมันฉลาดนะขอเจอแค่ครั้งเดียวจำได้แต่ว่าใจของเราเนี่ยนะ มันยังจําความอารมณ์ต่างๆไม่ได้ต้องเจอหลายๆครั้งเจอความฟุ้งซ่านหลายๆครั้งเจอความเบื่อหลายๆครั้งเจอความโกรธหลายๆครั้งแล้วต้องเจอต้องเจอในลักษณะที่เราพยายามที่จะรู้ทันมันนะรู้ทันทีแรกก็ไม่รู้ทันทีที่สองก็ยังรู้ไม่ทันทีที่สมยังรู้ไม่ทันแต่พอเจอรอยสักสิครั้ง20ครั้งคนนี้จําได้นะ พอมันโกรธขึ้นมาเกิดกับเพื่องขึ้นมาในใจเกิดความร้อนรนขึ้นมาในใจมันรู้ทันแต่ไม่ต้องเราเจอหลายๆครั้งนะก็คงคล้ายๆกับเด็กที่ถูกผู้ใหญ่หลอกนะมีมิจฉาชีพมาหลอกว่าแม่เรียกให้กลับบ้านนะนเด็กก็เชื่อมิจฉาชีพแต่พอไปถึงซอยเปลี่ยวเด็กก็ถูกมิจฉาชีพนั้น ป้นเอาเงินไปครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองไอ้มิจฉาชีพคนเดินมาอีกคนเดิมมาอีกก็มาหลอกคนหลอกเด็กคนเดิมเด็กก็ยังยังหลงเชื่อนะแล้วก็ถูกขโมยเงินไปถูกปล้นเอาเงินไปแต่พอเจอทั้งสิบครั้งนี่เด็กนี่เริ่มจําได้แนละ้วเด็กจริงๆเนี่ยเจอครั้งสองครั้งก็จําได้แล้วแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนมันก็ว่า ใจของเราในเปลี่ยนก็เด็กที่มันกว่ามันจะจําได้มันต้องเดินต้องเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวไปเป็น10บครั้งเนี่ยถึงจะจำได้ว่าไอ้คนนี้นี่มันไม่ใช่คนดีมันเป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นต่อไปมาล่อลวงชั้นชันไม่เชื่อแล้วนะรู้ทันรู้ทันเพราะจำได้ไอ้จิตของเราเนี่ยนะสติของเรามันจะรู้ทันอารมณ์ก็เพราะว่ามันเจอบ่อยๆจนมันจําได้ สติคือความระลึกได้นะความระลึกได้เนี่ยก็ทําให้รู้ทันนะเหมือนกับเด็กที่ระลึกได้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ร้ายจําได้เนี่ยก็จะรู้ทันเวลาไอ้คนนี้คนเดิมเนี่ยมาล่อมาหลอกเขาสติเราก็ทํางานคล้ายๆกันก็คือว่ามันจะระลึกระลึกได้เนี่ยมันต้องระลึกได้ก่อนถึงจะรู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการระลึกได้ต้องเจอบ่ยบอย เพราะนั่นนี่เราอย่าไปอย่าไปงุดหิดหัวเสียนะที่มันพลาดท่ า, าเสียทีกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งเราฟุ้งซ่าฟุ้งซาแล้วฟุ้ ง, ง, งเผลอคิดแล้วเผลอคิดอีกนะถ้าเราปฏิบัติแล้วก็พยายามเฝ้าดูมันบ่อยๆเนี่ยเราจะจํามันได้และต่อไปนะเวลามันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันมันได้ไวแต่ ก, ก่อนนี่คิดไปฟุ้งไปหลายเรื่องหลายราวถึงรู้ทันว่าเผลอคิดไป แต่ตอนหลังเนี่ยแค่คิดเรื่องเดียวจะไม่ทันจดเรื่องก็รู้ทันแล้วอันนี้ไม่ใช่พ่อแล้วแต่เป็นเพราะเราเจอมันบ่อยๆเจอมันบ่อยๆจนจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันมีประโยชน์นะให้ลองมองในแง่นี้นะก็เพราะนั้นมื่มันเกิดขึ้นก็ลองยิ้มให้มันนะยิ้มให้มันต้อนรับมันเพราะถือว่ามันมาสอน ให้สติของเรานะรู้ทันได้ไวได้รวดเร็วนะอ่าเราคำนี้ก็พิ่งกับเท่านี้